พุทโ์สวัสดีค่ะรายการสันนนีสนทนามาแล้วนะคะสันสนีนาคพงและพระคุณเจ้าอีกสองรูปทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ154สสถานีค่ะเรามากันก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงพุทธว จ, จะนะให้มากยิ่งขึ้นเพียงแต่ท่านเปิดวิทยุมาฟังและจะเข้าถึงได้มากจริงๆนะคะก็ต้องลงมือปฏิบัติไป พร้อมๆกันด้วยในเวลาที่มีอยู่ดูเหมือนกับน้อยนี้แต่ไม่น้อยนะคะเพียงแค่ช่วยลัดนิ้วมือเดียวพระพุทธองค์บอกว่าก็เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ที่ทําตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วขานมาศการนะคะท่านม้า ค, คะเจริญพรเช้า ว, วันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติการทำความเพียรเผากิเลสทําชิดให้หลุดพน้นเจริญอาณาปานะสติตามแบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกสอน คือหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทำความรู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสั่งขานให้รำงงับและระหว่างที่เรารู้อยู่กับลมหายใจนี้หากจิตหลืดไปคิดในเรื่องใดก็ตามอดีตอนาคตความสุขความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรารีบวามความคิดเนินเสียเรียกว่าการละนันทีหรือการละความเพลิน แล้วก็ให้เรากลับมามีสติรละลึกรู้อยู่กับลมหายใจของเราและเราก็มาใช้เวลาช่วงที่เราจเจริญอาณานปณ ะ, ะสตินี้สั่งสมพุทธวจนะคำสอนที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้ากันพระผู้มีพระภาคเจ้าถัดไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทมออกสั่งสอนสัตว์แต่ถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมซึ่งหมูสัตว์กับทั้งสำนพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่น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 เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตอันไม่เป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมรรตยู czne. ฉลาดต่อวิวัตตอันไม่เป็นที่อยู่ของมรรตยู เราใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระพวกมีพระภาคเจ้าแต่สอนพระอนุรธะเรื่องของธรรมะไว้ โดยพระองค์ตรัสว่าดีละดีละอนุรุท ธ, ธะดีละที่เธอตกแล้วซึ่งมหาบริสัทธิตกว่าทมนี้สำหรับผู้มีความปรารถนาน้อยธรรมะนี้มิใช่สำหรับผู้ปรารถนาใหญ่ธรรมะนี้สำหรับผู้สันโดษ ธรรมนี้มิใช่สําหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะนี้สําหรับผู้สงบสงัดธรรมะนี้มิใช่สําหรับผู้ยินดีในการคลุกคลีในหมู่ธรรมะนี้สําหรับผู้ป่ารบความเพียรธรรมะนี้มิใช่สําหรับผู้เกียจคร้าน ธรรมะนี้สำหรับผู้มีสติเข้าไปตั้งไว้ธรรมะนี้มิใช่สำหรับผู้มีสติอันลืมหลงธรรมะนี้สำหรับผู้มีจิตตั้งมั่นธรรมะนี้มิใช่สำหรับผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะนี้สำหรับผู้มีปัญญาธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้ตะสามปัญญาดังนี้อนุรุต ธ, ธาเธอควรจะตรึกมหาปริสวิตตกข้อที่8นี้ด้วยว่าธรรมะนี้สำหรับผู้พอใจในความไม่เนื่นช้าผู้ยินดีในความไม่เนื่นช้าธรรมะนี้สำหรับ มีใช่สาหรับผู้พอใจในความเนิ่นช้าผู้ยินดีในความเนิ่นช้าดังนี้แหลเพราะฉะนั้นหากเรามีความพอใจในความไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้าในในการที่จะแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายทำคิดให้หลุดพ้นเราก็มารีบประพฤติปฏิบัติทาความเพียพรพากิเลกั น, กนจะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายโดยหากที่สุดจบไม่ได้ วันนี้ก็สมควรเก่เวลาเดี๋ยววินท่หน้าเรามาทําความเพียรพกิเลสและสังคมพุทธวจนะกันต่อค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้ประโยชน์จากพุทธวจนะกันไปเต็มๆโดยเฉพา ะ, ะตั้งแต่ตอนช่วงต้นของทุกวันในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างด้วยใช่ค่ะท่านมาค่ะ ก็ต้องพบท่านในสัปดาห์หน้าดังที่ท่านได้แจ้งไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นำะมสัส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ